บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในนําเรื่องอายตนาปภ ะ, ะคือหมวดที่สงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติสังเกตดูจิตของตัวเองในขณะที่ ประสบกับอารมณ์ภายนอกโดยการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่เราตั้งใจเหนี่ยวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายในกรณีที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะการปฏิบัติากรรมาฐานนั้นประเด็นสาคัญอยู่ที่การตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ปัจจุบัน จึงจะเห็นได้ว่าหัวข้อทั้งหลายที่ทรงจบแนกแสดงไว้ตั้งแต่ต้นการตั้งสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกจะเรียกว่าอนาปานสติกรมฐานก็เป็นการสติตั้งสติระลึกรู้ลมซึ่งปรากฏในขณะนั้นๆไม่ได้ใส่ใจลมในอดีตหรือว่าลมในอนาคต ต, ตั้งสติกำหนดอยู่ที่ลมปัจจุบันเพื่อให้จิตใจดำรงมั่นคงอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นสติใช้ตอนนี้บางครั้งทรงใช้ทรงเรียกคำว่าธรนาคือแปลว่าทรงไว้ทรงอุปมาปริมาณสติที่ต้องใช้ ก็เหมือนกับบุคคลประคองภาชนะที่เต็มโดยน้ำมันก็อุปมาให้พระฟังก็อุปมาเมื่อกาบาัด ท, ที่เต็มโดยน้น้ำมันแล้วเราต้องถือบาตรที่เต็มโดยน้ำมันนั่นไปไอหนักก็หนักต้องระมัดระวังน้ำมันกระอกด้วยมันกำลังทั้งกายทั้งใจทั้งสติสัมปชัญญะความพยายามจะต้องหนุนกัน แม้เราตั้งใจดีแต่ร่างกายเราไม่ให้ความแข็งแรงของร่างกายไม่พอเราก็ประคองภาชนะที่เต็มด้วยน้ำมันไม่หกไม่ได้หรือร่างกายแข็งแรงพอแต่เราขาดสติสัมปชัญญะขาดความพยายามหรือแม้แต่ขาดไปสักอย่างหนึ่งโอกาสที่จะประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันตรงนั้นไปสู่สถานอีกแห่งหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะในการปฏิบัติจึงเป็นทั้งการบริหารกายและเป็นการบริหารจิตกรรมฐานทุกข้อไม่ว่าจะเป็นการไปประกรรมฐานข้อใดก็ตามไม่ได้ส่งเน้นอรียบทีอียะบทหนึ่งเป็นหลักเราจะพูดกันว่านั่งสมาธิมันเป็นภาษาพูดที่จริงไม่ใช่ภาษาภาคปฏิบัติ ภาปฏิบัติท่านเรียกว่าเจริญสมาธิเจริญก็คือทำให้เพิ่มขึ้นให้มีมากขึ้นให้เข้มข้นให้แข็งแรงมากขึ้นหมายความปริมาณความสงบเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจอารมณ์กรรมาฐานที่กำหนดระลึกเรียบทที่ใช้ในการเจริญ แต่เราตึงกาลเทศะ ต, ต่างๆไม่ได้บังคับเอาไว้เพียงแต่ว่าทายังไงให้มันเกิดความเกื้อกูลต่อการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นปัจจัยเสริมซึ่งจะเป็นจ ะ, ำ จ, ะจำเป็นจะต้องใช้มากในตอนต้นๆกพาตามปกติแล้วจิตใจของคนทั้งหลายมันก็เสพคุณกับอารมณ์ที่เคยครุกครีอยู่ในชีวิตประจำวัน การจะแยกมาเลยทีเดียวบางที่จิตมันก็ปรับไม่ทันบางครั้งทำให้เกิดรู้สึกว่าเวดดเดี่ยวเดียวด้รู้สึกหวาดกลัวรู้สึกสะดุ้มมีการขนพองเสียงกล่าวขึ้นภายในใจบางการสอนการปฏิบัติก็ให้ดูที่มันสบายทำยังไงสบาย ไอ้เกือคูลแก่ ก, การปฏิบัติก็เลือกปฏิบัติอย่างนั้นนั้นสติที่ทำหน้าที่เป็นหลักก็คือสติระลึกในปัจจุบันแต่เมื่อการระลึกนั้นผ่านไปแล้วสติจะมีอาการคล้ายๆกัดแนบไปกับอารมณ์ที่เรากาหนดระลึกท่านสายชนต่างๆจะสังเกตว่าเหมือนกับเราขิด บรรทัดธุรกิจเส้นลงไปในพื้นหรือพื้นที่กระดานตัวสิ่งที่เรานํามาขีดจะเป็นปากกาจะเป็นดินสอจะเป็นชอคจะเป็นอะไรก็ตามมันต้องแนบอยู่กับสิ่งเหียดนั้นถ้าไม่แนบเส้นมันก็ไม่ต่อเนื่องพลสติกับจิตจิตกับสติจึงต้องแนบกันแล้วก็ไม่แนบเฉพาะตรงนี้มันต้องไปแนบกับตัวอารมณ์อยู่ด้วย อารมณ์ก็คือสิ่งที่เรากาหนดระลึกในขณะนั้นๆอารมณ์จึงมีความหลากหลายเพื่อต้องการให้เป็นที่สบายสำหรับผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เหมือนกันแต่โครงสร้างหลักท่านแสดงไว้ว่าตัวอารมณ์คือสิ่งที่เรานำมากาหนดระลึกมันจะมีลักษณะเหมือนหลักเหมือนเสาเหมือนต้นไม้เหมือนอะไรก็ได้ ที่สามารถเจ้าเชือกไปผูกล่ำไว้ได้ต้นอุปมาจิตเหมือนกับลูกโคที่กำลังสนแล้วจะติดอยู่กับแม่จะคลุกคลีอยู่กับแม่ไม่ยอมพรากไปจากแม่ตัวเองในการดึงจิตเข้าหาความสงบ เป็นการดึงมาจากแม่ก็คือตันหาคือความอาลัยความเสนหาความยืดใหญ่ความปูกพันต่างๆจิตใจมันเกาะติดอยู่อย่างนั้นการดึงเขากลับออกมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องทําได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วเราดึงไปอยู่อีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องดิ่ n ดังนั้นจึงทรงอุปมาอีกในยา่านหนึ่งว่าจิตนั้นเหมือนกับปลาที่มันเจริญเติบโตอยู่ในน้ํามาติดผูกพันเลื่อใหญ่อะไหลอยู่กับราการจะยกปลาขึ้นมาจากน้าปลาก็ต้องดิน้นพ้นวิธีปฏิบัติมันจึงกล้าเป็นวิธีธรรมชาติหมายความว่าปลานั้นได้เปลี่ยนที่อยู่จริงแต่ว่าไม่ทิ้งน้ํา คือแกคงมีน้ำเป็นที่อิงเป็นที่อาศัยอยู่ดันเด็กเพียงแต่ว่าปริมาณ น, าน้ำนันจะน้อยลงชนเอาปลาไปขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งจับมาแล้วก็ไปขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งไม่ถึงก็ตายแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งไปอย่างอิสระได้เพระพื้นที่ตรงนั้นมันถูกจำกัดไว้การฝึกจิตในแนวลูกโค ม, มก็เหมือนกับการฝึกจิตนแนวปลา ทรงแสดงว่าสติสัมปชัญญะนั้นเหมือนกับเชือกที่เราผูกไว้ที่คอของลูกโคด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไปผูกไว้ที่เสาที่หลักที่ต้นไม้อะไรก็ได้ลูกโคก็คงต้องวิ่งตามธรรมชาติของเขาคงต้องสนตามธรรมชาติของเขาจิตแล้วก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นเองวิ่งสายไปในร่ต่างๆก็เช่นเดียวกับลูกโค นี่เราเห็นว่าการวิ่งของลูกโคล่ที่จริงก็คืออาการดิ้นของจิตอาการวิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมนั้นที่จริงแล้วมันเป็นการสะท้อนความคิดภายในจิตใจเราสามารถสังเกตได้ที่ใจเราเองคนบางคนสามารถนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกไม่หันหน้าหันหลังไม่ดุกลิกอยู่ได้นานๆ หลายๆายนาทีบางทีก็เป็นชั่วโมงหรืออาจจะหลายชั่วโมงที่จริงอาการตนงนั้นเป็นอาการข้างนอกไม่ใช่อาการจริงอาการจริงแสดงว่าจิตเขาสงบจิตไม่ดิน้นเมื่อจิตไม่ดิน้นกายมันก็ไม่ดิน้นเพราะกายมันเป็นเครื่องมือของจิตเป็นเครื่องมือแสดงปฏิกิริยาของจิตนั้นอย่างที่โบราณท่านพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว คนไานไม่ขยับไปบ่ามันก็ไม่ขยับเราจึงเห็นคนจเจริญสมาธิอยู่ได้หลายชั่วโมงบางทีหลายๆวันจนถึงเจ็ดวันเพราะจิตนั่นนิ่งนิ่งกายมันก็เดิ่งจิตไม่แล่นไปรับอารมณ์ข้างนอกกายมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นดิงหรือไม่ได้วิ่งไปรับอารมณ์ข้างนอก ลดอการทําอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกแนวลูกโคมาล่าเชือกเอาไว้แล้วก็มาผูกไกว้กติดันหนึ่งเชือกก็ต้องขาดบางทีเกิดิ้นแกวิ่งมันก็วิ่งเท่าที่เชือกได้ยืดไปถึงแต่ปัญหาสำคัญบางครั้งเชือกขาดเชือกขาดต้องจับมาต่อต่อเชือกเข้าใหม่เพราะสติเราจะขาดอยู่เรื่อยสติจเปรียบเหมือนเชือกเดี๋ยมันขาดเลย บางทีเว็บหายไปไหนก็ไม่รู้ไปอดีตไกลลิบล้นบางครั้งก็ไปไขอ่คว้าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจในอนาคตบางครั้งก็ไปเหนียเรื่องอื่นมาคิดแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับการคิดในเรือนั้นเพื่อการฝึกปลื้จิตให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน จึงเป็นหลักการสาคัญในการเจริญสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานท่านยังได้อีกอย่างหนึ่งว่าอารามณูปนิชฌานคือการตั้งสติระ ล, ลึกรู้เพ่งพินิจอยู่ที่อารมณ์แต่ว่าสมถะนั้นจะมุ่งจิตเพ่งเอจิตไปเกาะไว้ก็สงบนิ่งไว้จนเกิดเป็นพลังของความสงบ ก็แสดงว่าจิตมันมีพลังเราเห็นธรรมะที่เคยศึกษาเราเรียนมาเราเห็นสตากลความเชื่อเห็นวิรยิยะความเพียรเน้นสติความระลึกได้เห็นสมาธิความมั่นคงของจิตแล้วก็เห็นปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตก็แสดงว่าในท่ามกลางความสงมบนั่นเองปริมาณของกุศลธรรมท่างหลาย ก, ก็เพิ่มขึ้น ตามความสงบขึ้นมาเพราะเป็นพวกเดียวกันทํานองใกล้ๆกับเราลากแม่เหล็กไปในะที่ใดที่หนนะึ่งแม่เหล็กก็จะดูดพวกาธาตุเดียวกับตนเข้ามาติดกันไว้เป็นพรนุนแต่สิ่งที่คนละาธาตุกับตัวเองมันก็คงอยู่อย่างนั้นคือดีดมาก็ดึงมาไม่ได้เพราะกุศลธรรมตรงนี้คือสมาธิหรือสติที่บังเกิดขึ้น โดยการกาหนดระลึกรู้แล้วก็ประคองจิตไว้กับอารมณ์ตรงนั้นก็ช่วยให้ปริมาณของธรรมะเ่าตื่นซึ่งจะพูดหรือไม่พูดโดยธรรมชาติเขาก็้ังเกิดเกิดโดยธรรมชาติธรรมดามเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติเขามาก็ทรให้จิตใจสงบมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในทางการความส ง, งบของจิตนั่นเองเราจะเห็นว่าการที่จิตส ง, งบก็หมายความเพราะนิวรณ์มาส ง, งบลงไปตอนนิวรณ์ก็ไใดข้อหนึ่งมีอยู่ภายในจิตจิตมันก็ดิน่นไปตามกระแสของนิวรณ์เช่นจิตตกอยู่ในกระแสของการมฉันก็จะเหนียวนึกตรุกนึกไปถึงถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานะ่าพอใจใจมันก็สาย ปัจจสายบางครั้งข้าใหปประสาทส่วนอื่นสายตาก็สายไปดูรูปที่สวยๆหูก็สายไปฟังเสียงที่ไพเราะไปเรอะจ ม, มูกก็สายไปดมกลิ่นที่หอมๆลิ้นก็สายไปเือลิ้มรสเตี่ยร่อยกายก็สายไปเพื่อจับต้องเพื่อเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งที่ตนใค ร, ร่ปรารถนาพอใจ ก็ แ, แสดงว่าจิตมันกระดิการดิ้นนั้นแสดงให้เห็นในความไม่สงบเพราะงั้นการไม่ดิ้นก็หมายความมาสงบอย่าลืมมันสงบเริ่มสงบจริงๆก็คือสงบที่ตัวอารมณ์ซึ่งเรากำหนดระลึกพอมาถึงเรื่องอื่นมันก็เป็นเช่นเดียวกันรัฐสั่งแสดงถึงการใช้เรียบทสีเป็นหลักอยู่เดินนั่งนอน ตั้งสติระลึกรู้รูในขณะที่เดินการอิเดียบดเดินยังเป็นการเจริญกรรมาฐานข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าตกลมเป็นการบริหารในส่วนร่างกายจิตใจก็มีความโปร่งความเบาความสะละสะรวยเพิ่มขึ้นแล้วก็น้อมนำก็สู่ความสงบ การเดินโยมกลมที่จริงก็เดินไปไปมาๆปัญหาสำคัญอยู่ที่การตั้งสติระลึกรู้อยู่ตรงไหนก็ได้ระลึกที่อำนวยอารมณ์เรื่องกำหนดระลึกในขณะนั่งหรือระลึกในส่วนย่างก้าวออกไปหรือตั้งใจกำหนดระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นตน้น ก็จะทําให้ใจิตใจสงบแต่การที่จิตสงบในขณะที่เราเดินเนี่ยจริงๆไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเพราะการเดินมันก็ต้องมีความคิดอยู่ระดับหนึ่งก็แสดงว่าจิตมันก็ถูกแบ่งแยกไปคิดเรื่องการเดินเพราะารใครสามารถทําจิตให้สงบโดยการเจริญสมถะกรรมฐานได้โดยการเจริญในแนวจงกลมได้ก็ถือว่าเป็นคนพิเศษที่ท่านเรียกว่าเป็นอัจฉรยิยะคือพิเศษ ทำไม้ตัสมาธิดำรงอยู่ภายในจิตได้นานทำาจิตตั้งมั่นได้นานแล้วก็ไม่เ ป, เปลี่ยนแปลงง่ายสมาธิที่จึงเป็นระดับยังมีความเปลี่ยนแปลงไม่จะเป็นระบบเป็นระดับที่สมบูรณ์อะไรเรามองดูว่าจริงๆไม่ใช่ระดับสมาธิเท่านั้นแม้แต่เป็นระดับฌานสมาธิที่ลึกมาก อย่างได้เยกตัวอย่างให้ฟังว่าจิตสงบในแนวนี้เหมือนกับน้ำที่อยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ข้างบนจะใสมีตะกอนอยู่ข้างหลังถ้าใครไม่เล่นถึงก็ ก, กวนหรือถึงก็เหยาจนโครงตะกอนมันก็ไม่ขึ้นมาหล้มันอยู่ข้างหลังก็สงบอยู่ได้ ท่านที่จเจริญกรรมฐานในแนวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีไปลิบไปจนถึงขนาดได้อภิญยาสแสดงว่าได้ฌานครบทั้งแปดคือรูปฌานสี่รูปฌานสีอารมณ์ของสมถกรรมฐานล้วนๆจ เ, เป็นผลพวกนี้ที่จริงตบะเดชะแก่กร า, ากแต่เพราะว่ามันไม่หลุดพ้นจริง พอ ถ, ถูกโยกจากข้างนอกหรือถูกกวนจากข้างในใช้ตัวอย่างนับน้ําที่ว่าไว้ในตอนตอน้นแต่เราจะเห็นว่าไอ้กวนข้างในเนี่ยคนไม่ค่อยกวนหรอกน้ําที่ขุ่นมันเกิดจากแรงกระแทกข้างนอกถ้ากว่าใจถ้าถึงระดับสมาธิแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ตึกนึกด้วยอำนาจของกามาาคา่ะเพราะมันจะต้องกระตุ้นมาจากข้างนอก ฤสีที่อยู่ในป่าจึงไม่มีปัญหาในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ถานธรรมท่านยังมีกิเลสไหมที่จริงก็มีกิเลสพระเราที่จเจริญระดับสมาธิก็มีกิเลสเพียงแต่ว่าท่านไม่ออกมาข้างนอกไม่ออกมาข้างนอกก็ไม่มีอารมณ์อะไรกระแทกแรงๆเพราะอารมณ์ที่ทํากิเลสให้ฟูขึ้นนั้นจะต้องจับไปที่ตัวสมาธิ ถ้าถามว่าสมาธิเป็นปฏิบัติกับอะไรเราบอกว่าเป็นปฏิบัติเรากำมะันกัมมะันกิเลสประเภทไหนกิเลสประเภทโลกกิเลสประเภทกำหนัดประเภทเพลิดเพลินประเภทราคะประเภ ท, เ ท, เ พ, เ ท, เทพอใจประเภทอยากได้ถามว่าทำไมอยากได้เพราะใจไปปรุงเอาไปปรุงว่รูปสวยเสียงไปร้องดีนองรสอร่อยสัมผัสหนาจับตอกมาเก็บไว้เป็นตะกรอภายในใจแลาก็นํามาปรุงได้ แต่ถ้าท่านผ่านระดับสมาธิไปแล้วเนี่ยพระผ่านระดับฌานไปแล้วอารมณ์จะไม่เกิดขึ้นจากภายในท่านเท่าไรแต่จะมาจากตัวกระแทกข้างนอกพระเจ้าเองทรงยกตัวอย่างว่าแม้แต่พระองค์เองในขณะที่หมุนบุญในสังสารวัฏคราวหนึ่งขณะ ขนาดว่าเป็นราชกุมารสละราชสมบัติออกผนวชในชาติหนึ่งก็แสดงว่าจิตมันจางคลายจากราคะไม่ธรรมดาโลภะในราชสมบัติก็จางไปคลายไปโลภะในทรัพย์สมบัติก็จางไปคลายไปราคะในทางเพศก็จางไปคลายไปถ้าไม่งั้นท่านบวชไม่ได้ และบวชไปจนถึงเจริญกรรมาฐานได้บรรลุอภิญญาอาภิญญานั้นแปลว่าความรู้อันยิ่งเป็นผลมาจากการทำจิตให้สงบระดับนี้มีอยู่ห้าประการแต่ตามปกติแล้วจะมีอยู่หกถ้าเป็นพระหรันพระพุทธเจ้าพระปฏิเคระพระพุทธเจ้าก็จะมีหกแต่ถ้าพวกระด้สมาธิระดับชาญนตรงนี้มันก็ได้แค่ห้าข้อแต่ก็ไม่ใช่ธรรมดาทท้งนั้น มีอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้มีมโนโมยิทธิสามารถที่จะแย ก, กจิตออกจากกายแล้วก็จิตไปปรากฏในที่ต่างๆในส า, ากลจักราวาลได้ยานที่เราพบหลักฐานาว่าพระเจ้าทรงใช้บ่อยเช่นเวลามีภิกษุณีจเจริญกรรมาฐานแล้วพอตอนจเจริญมีปัสนามันจะเห็นความเกิดดับของนามารูปเราจะเกิดกลัวเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนั้น แต่พอดีภิกษุณีเป็นผู้หญิงขวัญอ่อนกว่าพอเกิดตรงนั้นท่านจะสะดุง้งรู้ว่าจะปรากฏออกมาเป็นพระองค์ต่อหน้านางภิกษุณีรูปนั้นแล้วก็จะแนะวิธีทําจิตวิธีตัดสินปัญหาต่างๆให้แล้วจะหายไปนั้นเป็นการปรากฏด้วยจิตไม่ใช่ปรากฏด้วยกายพระองค์ก็คงอยู่ที่ประทับของพระองค์ตรงไหนก็ไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นมโนมยิธิ มีที่ประโสนิหูจิตแล้วก็เราลึกชาติได้ลึกชาติต่างๆมาตัวเองได้จนถึงกับปีตาจิตคือสามารถมองเห็นในที่ไกลได้ก็แสดงว่าหูจิตตาจิตจะลึกชาติได้จิตส ง, งบไม่ใช่ธรรมดา แต่สงบแนวนี้เป็นการสงบแบบกดไว้การลักษณะของการกดไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างเขื่อนเป็นทำโน๊บ ก, กั้นน้ําไว้ถ้าพังและยุ่งเพราะไรเพราะน้ําไปอั้นอยู่ข้างบนแยกจิตใจที่กดไว้แนวนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นพอถ้าถูกแรงกระแทกจากข้างนอกแล้วก็มีปัญหา เพราะเราจึงพบตำนานต่างๆไม่ใช่ตำนานคือเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้ารับสั่งเล่าประวัติของพระองค์เองก็มีประวัติของบุคคลอื่นก็มีที่ไปเจออารมณ์ที่เรียกว่าวิสภาคอ า, ารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นขั้นศึกต่อจิตทำให้จิตมันไประลึกในแนวรูปสวยเสียงไเราะดังกล่าวซึ่งท่านเก็บสะสมไว้ก่อนกามฉันมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นมันสลายสมาธิ พอสลายสมาธิอย่างอื่นก็ถูกสลายทำนองใล้ๆกับเขื่อนกัน้นเป็นคันดินกั้นเอาก็น้ำเอาไว้ในกาดานีกตอนที่จะพังจริงๆมันเริ่มจะจุดเล็กๆแต่ น, นั้นเองพอจุดตรงนั้นเกิดทะลุออกไปได้มันก็เริ่มขยายตัวเองแนวกุศลแนวอกุศล มันจะเกิดขึ้นลักษณะทางธรรมชาติประกาศเก็ข่าวหมู่บ้านจัดสรรที่มีบ้านพังที่ที่มีเกินเกินดินพังลงไปผลตัวตวการใหญ่จริงๆคือต้องเสริมตัวนี้ให้แข็งไม่ให้กระทบจากข้างนอกเราจึงเห็นว่าถ้าแนสมาธิเนี่ยอยู่ป่าทั้งนั้นพรุษีเ้าก็ต้องอยู่ในป่า อยู่กับจนวดหงอกไม่ยอมออกมาข้างนอกพระออกมาบางทีก็กลับเข้าป่าไม่ได้จะกี่องค์ก็ติดอยู่ในเมืองหมดเพราะนั้นคือไปเจออารมณ์ที่เป็นค่าศสกข้าวกรรมฐานท่านจึงสอนว่าอบรมกระทาให้มากกระทาบ่อยๆกระทาต่อเนื่องกันไปมันก็เหมือนกันอย่างอื่น เหมือนกับหายใจเหมือนกับอาบน้ำเหมือนกับรับประทานอาหารเหมือนกับ ก, การบริหารร่างกายมันก็ทําต่อเนื่องกันไปเพราะยังไม่สมบูรณ์ะระดับองการประทานจึงเหมือนการเดินทางยังไม่ถึงไม่ถึงก็เดินไปเรื่อยๆอาจจะหลงไปบ้างอะไรแต่อะไระ ไ, ไปบ้างก็พยายามเดินให้ถึงก็แล้วกันประเด็นสําคัญยังอยู่ที่การทั้งสติระลึกรู้ที่อยู่ที่ปัจจุบัน จะเห็ว่าอิยาบทสี่เขาเรียกว่าอิยาปทาปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าโดยอิยาบทเป็นการตั้งสติระลึกรู้อยู่รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนสติระลึกอยู่กับอิริยาบทนั้นๆก็แล้วแต่อิยาบทได้เราจึงพบการการเจริญกรรมฐานของพระบางรูปเชนพระอานนท์ พระนรเทระนั้นก็เรียกว่าบรรลุมรผลในระหว่างียบบททั้งสี่ไม่รู้ียบบทไหนคือมันพูดลงไปไม่ได้พูะเจ้าทรงพยากรคือรับสั่งไว้ก่อนจะนิพพานว่าอันเนินอันตเธอเป็นบัณฑิตมีความฉลาดสามารถได้อุปถากเราพนานมีอุปราคุเา่เราๆมากเรานิพพานไปแล้วเธอไม่ต้องเดือดร้อนใจแล้ว เธอจะบรรลุมรคเธอจะบรรลุมรคผลเป็นพระอานนท์ก่อนที่สงฆ์จะทาสังฆทานากันรับสั่งวางเวลาตายตัวไว้เลยว่ารุ่งขนเช้าคณะสงฆ์จะประชุมทาสังฆทานาตอนกลางคืนเนี่ยพระอานนท์ต้องบรรลุมรคผลเป็นพระอาันท์ท่านเชื่อมั่นในคำเขาเรียกพยากรณ์แต่ไม่ใช่ทำนายแบบโหราศาสตร์ เป็นความรู้ด้วยประยานก็รีบเดินจงกรมทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกอย่างจนใจมันไม่สงบความเพียรมากไปใจมันพุง้งก็เห็นว่าชักจะไม่ได้เรื่องตั้งใจจะนอนพักสักหน่อยก็นั่งลงบนเตียงพอเอ็นตัวสติ ความเพียรมันก็ปรับตัวเองลงมาพอความเพียรปรับตัวเองลงมาสมาธิมันก็เข้าก็เกิดขึ้นบรรลุมัคผลหัวยังไม่ถึงหมอนก็บรรลุมัคคุเป็นพระหันเวลานิดเดียดนี่เราจะเห็นได้ว่าจะถือว่ายืนเดินหรือนั่งหรือนอนมันก็ไม่เชิงก็เรียกว่าระหว่างอิยาบททั้งสี่นั่งก็ไม่เชิงนั่งนอนก็ไม่เชิงนอนยืนก็ไม่เชิงยืน เดินก็ไม่เชิงเดินตัวการใหญ่จึงไม่อยู่ที่เรียบบทตรงนั้นอรียบบทจึงกลายเป็นเครื่องมือในการตั้งสติระลึกเราอยู่เรียาบทใดก็ตามปัญหาสําคัญอยู่ที่สติสัมจัญญะอย่าไปออกไปจากเรียาบทตรงนั้นแนบแน่นอยู่กับเริยาบทตนั้นยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็ควบคุมอยู่กับเริยบบทตรงนั้น ก็กลายเป็นการปฏิบัติตามธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าเพิ่มปริมาณของธรรมะขึ้นเท่านั้นเพราะคนเราถ้าทำอะไรยืนเดินนั่งนอนขาดสติมันก็อาจจะถูกตำหนิว่าซุ่มซ่ามไม่ระวัดระวังแล้วจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นด้วย การพัฒนาให้เกิดสมาธิก็คือปรับขึ้นไปจากตรงนี้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วส่วนหนึ่งเรามีสมาธิในเรื่องหยาบๆนี่ได้เพิ่มขึ้นในประนีขึ้นเพิ่มปริมาณสติเพิ่มปริมาณของความเพียรของสัมปทานยากขึ้นให้เราลึกรู้อยู่กับปัจจุบันในชั้นก็สมถะก็คือเพ่ง เพ่งดูไปเรื่อยๆส ง, งบอยู่กับตรงนั้นแม้จะแว บ, บไปในที่ใดที่หนึ่งคล้ายๆกับลูกโคที่ยกตัวอย่างไว้ในะตอนตอน้นมันก็ต้องดึงกลับมาแม้จะขาดมันก็ต้องต่อเชือกเข้าสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตและในที่สุดจิตก็จะโน้มน้อมเข้าหา จะพอใจจะยินดีอยู่ในตัวสมาธิเพราะในความเป็นสมาธินั้นะมันมีปิติมันมีสุขมันมีสงบเป็นอารมณ์ที่ยากต่อการจะได้สัมผัสเพราะมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบเป็นอันมากพระพุทธเจ้ า, าจึงทรงจาแนกแสดงวิธีไว้โดยอนเนกเกสระยาย เพื่อตอบสนองความรู้สึกพื้นฐานของคนที่เราพูดกันว่าลังเนื้อชอบลางอย่างใครตถนัดใครพอใจจะทําพิธีอะไรก็ทําพิธีนั้นโดยมีจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันสมรรคกรรมฐานระดับของสมรรคกรรมฐานดั้นจึงนิยามไว้ว่าการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งนิวรณ์ทั้งหาประการ ล, ลงไปได้การปฏิบัติเช่นนั้นเรียกว่า สมถะกรรมฐา น, ฐานซึ่งเมื่อมีการเจริญมีการกระทามทีต่อเนื่องกันไปความเปลี่ยนแปลงภายในจิตก็จะเกิดขึ้นเป็นความสุขความสงบแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุอ